พระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้าเทวปุตระสังยุตปัทมะวักหรือปฐมวักหมวดที่หนึ่งปัทมะกัสปะสูตรว่าด้วยกัสปาเท พ, พบุตรสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินที่เศษฐีเกศกรุงสาวัตถีครั้นเมื่อปฐมายามผ่านไปกัสปเท พ, พบุตร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 การประกาศคำสั่งสอนนั้นจงปรากฏแก่ท่านณที่นี้เถิดัสปาเทพบุตรกราบทูลว่าบุคคลพึงศึกษาคำสุภาษิตศึกษาการเข้าไปนั่งใกล้สมณนะศึกษาการนั่งในที่สงัดแต่ผู้เดียวและศึกษาการสงบระงับจิตัสปาเทพบุตรได้กล่าวดังนี้ประศาสดาทรงพอพระทัยแล้ว จึงถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณละหายตัวไปณที่นั้นเองคำสุภาษิตหมายถึงว่าจีสุจริตสี่อย่างที่อาศัยสัจจะสี่อาศัยกราทวัตถุสิบและอาศัยโพธิปกักจยธรรมสามสิบเจ็ประการทุติยกสปาสูตร ว่าด้วยกัสสปะเทพบุตรสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีกัสสปะเทพบุตรยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าถ้าภิกษุหวังการบรรลุ ธ, ธรรมที่เป็นหัวใจในที่นี้หมายถึงพระอระหันตถ้าภิกษุหวังการบรรลุ ธ, ธรรมที่เป็นหัวใจ มีธรรมะที่เป็นหัวใจเป็นอนิสงเธอพึงเป็นผู้มีฌานมีจิตหลุดพ้นรู้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งโลกคือสังขารโลกมีใจดีไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยมาคะสูตรว่าด้วยมาคะเทพบุตร เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเมื่อปฐมยามผ่านไปมาคาเทปบุตร์มีวันน้งดงามยิ่งนักเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลด้วยคถานี้ว่าบุคคลค่าอะไรได้จึงอยู่เป็นสุขค่าอะไรได้จึงไม่เศร้าโศกค่าแต่พระโคดมพระองค์ทรงพอพระทัยการฆ่าธรรมะอย่างหนึ่งคืออะไร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 มากระาสูตรว่าด้วยมากรทาเทพบุรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวกทีมากระทาเทพบุตบุได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าโลกรุงเรืองเพราะแสงสว่างเหล่าใดแสงสว่างเหล่านั้นมีอยู่เท่าไรในโลกพวกคาพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าจะรู้แสงสว่างนั้นได้อย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสว่าในโลกมีแสงสว่างอยู่สี่อย่างอย่างที่ห้าไม่มีในโลกนี้คือดวงอาทิตย์ส่องสว่างในกลางวันดวงจันทร์ส่องสว่างในกลางคืนไฟส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนทุกขนทุกแห่งและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐกว่าแสงสว่างทั้งหลายแสงสว่างนี้เป็นแสงสว่างอย่างยอดเยี่ยม ธามาลิสูตรว่าด้วยธามาลิเทพประบุทเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเมื่อปฐมยามผ่านไปธามาลิเท พ, พบุตรุได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วกล่าวกาถานี้ว่าพราหมณ์ผู้ไม่เกียรติร้านพึงทำความเพียร น, นี้เพราะละกามทั้งหลายได้และเพราะละความเพียร น, นั้นเขาจึงไม่หวังพบ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าธรรมลิเทพบุตรกิจไม่มีแก่พรามในที่นี้หมายถึงพระขีนาศพเพราะพรามทากิจเสร็จแล้วตราบใดบุคคลยังไม่ได้ท่าจอดในแม่น้ำทั้งหลายตราบนั้นเขายังต้องเพียรด้วยตัวเองทุกอย่างแต่เมื่อได้ท่าจอดแล้วยืนอยู่บนบกเขาเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วจึงไม่ต้องเพียรอีก ธรรมริเทพบุตรนี้เป็นข้ออุปมาสำหรับพราหมณ์ผู้สิ้นอาสวะแล้วผู้มีปัญญาเครื่องบริหารผู้มีฌานรอกเขาถึงที่สุดแห่งชาติและมรณะเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วจึงไม่ต้องเพียรกามมัทธสูตรว่าด้วยการมัทธเทพบุตร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 ชนเหล่านั้นยอมได้แม้สิ่งที่ได้ยากกรรมธาเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคสิ่งที่ตั้งมั่นได้ยากนี้คือจิตพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากรรมทาเทพบุตรชนเหล่าใดยินดีในความสงบแห่งอินทรีชนเหล่านั้นยอมตั้งจิตที่ตั้งมั่นได้ยากให้ตั้งมันได การมท่เทพระบุติพระอริยเหล่านั้นตัดขายแห่งมัจจุได้แล้วการมท่เทพระบุติกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคทางที่ไปได้ยากคือทางที่ไม่สม่ำเสมอในที่นี้หมายถึงหมูสัตว์ผู้ไม่สม่ำเสมอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการมท่เทพบุตรอริยะบุคคลทั้งหลาย ยอมไปได้แม้ในทางที่ไปได้ยากซึ่งเป็นทางที่ไม่สม่ำเสมอส่วนผู้ที่ไม่ใช่อริยาบุคคลย่อมดิง่งศีรษะตกลงไปในทางที่ไม่สม่ำเสมอทางนั้นสม่ำเสมอสำหรับอริยาบุคคลทั้งหลายเพราะอริยาบุคคลทั้งหลายเป็นผู้สม่ำเสมอในทางที่ไม่สม่ำเสมอ ปัญจาลจันทสูตรว่าด้วยปัญจาลจันทเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีปัญจาลจันทเทพบุตรยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวคถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าแม้ในที่คับขันคับขันในที่นี้คือนิวรณ์ผู้มีปัญญาดุดแผ่นดินก็ยังได้โอกาสหมายถึงได้ฌาน ผู้ใดบรรลุฌานผู้นั้นเป็นผู้ตื่นเป็นผู้หลีกออกได้อย่างองอาจเป็นมุนีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนเหล่าใดแม้อยู่ในที่คับขันแต่กลับได้สติเพื่อการบรรลุธรรมคือนิพพานชนเหล่านั้นตั้งมั่นดีแล้วโดยชอบตายณะสูตรว่าด้วยตายณะเทพบุตร เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งเมื่อปฐมยายามผ่านไปตยายนาเท พ, พบุตรผู้เคยเป็นเจ้าลัทธิมาก่อนมีวันนะงดงามยิ่งนักแปลงรัสมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาสและกล่าวคถานี้ว่ารามท่านจงพยายามตัดกระแสแห่งตันหาจงบรรเทากามเสียเถิดเพราะหากมุนีไม่ละ ก, กาม ยอมเข้าถึงความมีจิตแน่วแน่ไม่ได้คือหมายถึงเข้าฌานไม่ได้ถ้าบุคคลจะทำความเพียรพึงทำความเพียร น, นั้นจริงๆพึงบากบั่นทำความเพียร น, นั้นให้มั่นคงเพราะว่าการบรรพชาที่ปฏิบัติย่อหย่อนยอ่อมโปรยทุลีคือกิเลสให้แปดเปื้อนยิ่งขึ้นความชั่วไม่ทำเสีอเลยดีกว่า เราะทําแล้วย่อมเดือดร้อนภายหลังความดีใดทําแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังความดีนั้นดีกว่าญาคาที่บุคคลจับไม่ดีย่อมบาดมือแน่นอนฉันใดความเป็นสมณะที่บุคคลปฏิบัติไม่ดีย่อมฉุดเข้าไปในนรกฉันนั้นกรรมที่ย่อหย่อนอย่างใดอย่างหนึ่งวัดที่เศร้าหมอง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 ตายณะเทพบุตรกล่าวคถานี้ให้ฟังแล้วตรัสว่าเธอทั้งหลายจงศึกษาเล่าเรียนทรงจําตยณะคถาไว้ภิกษุทั้งหลายตยนะคถาประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์จันทิมะสูตรว่าด้วยจันทิมะเทพบุตร เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นจันทิมาเท พ, พบุตรถูกอสูรินทราหูเข้าจับตัวไว้ครั้งนั้นจันทิมาเท พ, พบุตรพระลึกถึงพระผู้มีพระภาคได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้ ก, ล, กล้าขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์พระองค์เป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงข้าพระองค์ตกอยู่ในภาวะคับขัน ขอพระองค์จงเป็นสารณะแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงปรารพจันทิมาเท พ, พบุตรได้ตรัสกับอสูรินทราหูด้วยพระคาถาว่าจันทิมาเท พ, พบุตรถึงตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์เป็นสารณะราหูท่านจงปล่อยจันทิมาเทพบุตรเสียเถิดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้อนุเคราะห์สัตว์โลก ลำดับนั้นอสุูรินธราหูปล่อยจันทิมาเทพบุตรแล้วก็เร่งรีบเข้าไปหาเท้าเวปจิตติจอมอสูนถึงที่อยู่เป็นผู้เศร้าสลดใจเกิดค้นพองสยองกล้าวได้ยืนอยู่หน้าที่สมควรเท้าเวปจิตติจอมอสูนได้กล่าวถึงอสูรินธราหูผู้ยืนอยู่หน้าที่สมควรด้วยคถาว่าราหูทำไมท่านจึงรีบปล่อยจันทิมาเทพบุตรเสียเล่า ทำไมท่านจึงเศร้าสลดใจมายืนกลัวอยู่เล่าอสซูรินทราหูกล่าวว่าข้าพเจ้าถูกขับด้วยขัดาของพระพุทธเจ้าหากข้าพเจ้าไม่ปล่อยจันทิมาเทพบุตรศีรษะของข้าพเจ้าพึงแตกเจ็ดเสียงมีชีวิตอยู่ก็จะไม่ได้รับความสุขเลยสุริยสูตรว่าด้วยสุริยเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี เรื่องนี้ในยะเดียวกันเนื้อเรื่องเหมือนกันกันกบจันทิมาเทพบุตรทุกอย่างเทวปุตตะสั่งยุตวัคที่สองอนาถปินทิกะวัคจันทิมาสัทเถพระบุตร เ, เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปจันทิมสัทเถพบุตรมีวันนางดงามยิ่งนัก เปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเจตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่พระทับถวายอภิวาสแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าชนเหล่าใดบรรลุฌานมีจิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีปัญญามีสติชนเหล่านั้นจะถึงความสวัสดีดุดเนื้อสายในซอกเขาที่ปราศจากริ้นและยุ่งเชนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนเหล่าใดบรรลุฌานไม่ประมาทละกิเลสได้ชนเหล่านั้นจะถึงฝั่งดุดปลาทำลายขายได้แล้วไหวไปฉะนั้นเวนทุสูตรว่าด้วยเวนทุเท พ, พบุตร เวณทุเทพประบุยืนอยู่ณที่สมควรและกล่าวคถานี้ในสํานักของพระผู้มีพระภาคว่าชนเหล่าใดนั่งใกล้พระสุคตมอบตนไวนในศาสนาของพระโคดมไม่ประมาทตามศึกษาอยู่ชนเหล่านั้นถึงความสุขแล้วจริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนเหล่าใดเป็นผู้เพ่งพินิจตามศึกษาในบทคําสอนที่เรากล่าวไว้แล้ว ชนเหล่านั้นไม่ประมาทตลอดเวลาไม่พึงไปสู่อำนาจแห่งมจัจจุทีขะลัตติสูตรว่าด้วยทีขะลัตติเทพบุตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลุวันเขตกรุงราชรฤษครั้นเมื่อปฐมยามผ่านไปทีฆะลัตติเทพบุตร เข้าไปเฝ้าถวายอภิวาสและกราบคถานี้ถ้าภิกษุหวังการบรรลุธรรมที่เป็นหัวใจมีธรรมะที่เป็นหัวใจเป็นอานิสงเธอพึงเป็นผู้มีฌานมีจิตหลุดพ้นรู้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งโลกมีใจดีไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยนันทนาสูตร ว่าด้วยนันทนเทพบุตรนันทนาเทพรบุตรกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคถ า, าว่าข้าแต่พระโคโดมผู้มีปัญญาดุดแผ่นดินข้าพระองค์ขอทูลถามถึงญาณทัศนะคือปัจจเวคขณะญาณญาณอย่างรู้ด้วยการพิจารณาทบทวนคือสำรวจรู้มรรคผลกิเลส ท, ที่ละได้แล้วกิเลส ท, ที่เหลืออยู่และนิพพาน เว้นพระอระหันต์ไม่มีการพิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู่ข้าพระองค์ขอทูลถามถึงญาณทัศนะอันไม่มีสิ่งใดขวางกั้นของพระผู้มีพระภาคบัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลประเภทใดว่าเป็นผู้มีศศลประเภทใดว่าเป็นผู้มีปัญญาบุคคลประเภทใดล่วงทุกได้เทวดาทั้งหลายบูชาบุคคลประเภทใด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 บุคคลประเภทนั้นล่วงทุกได้แล้วเทวดาทั้งหลายบูชาบุคคลประเภทนั้นจันทนะสูตรว่าด้วยจันทนะเทพบุตรจันทนะเทพบุตรกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบุคคลผู้ไม่เกียดกร้านทั้งกลางวันและกลางคืนจะข้ามโอเะได้อย่างไร ใครไม่จมในห้วงน้ำลึกซึ่งไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ยึดเหนียวพระผู้มิพระภาตรัสว่าบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีปัญญามีจิตตั้งมั่นดีปรารกความเพียนบุทิศกายและใจตลอดการทุกเมื่อยอมข้ามโขคะที่ข้ามได้ยากเขาเว้นขาดจากกามสัญญาคืออุท ธ, ธมภากิยาสังโยชน้าประการ ล่วงรูปสัง่งยศได้คือล่วงโอรัมภาคีาสัง่งยศห้าประการได้มีความกำหนัดด้วยความเพลิดเพลินสิ้นแล้วย่อมไม่จมในห้วงน้ําลึกวาสุทธตตสูตรว่าด้วยวาสุทธตตะเท พ, พบุตรวาสุทธตตะเท พ, พบุตร ได้กล่าวกถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติเพื่อละกามราคะเหมือนบุคคลถูกแทงด้วยห อ, อกมุ่งถอนห อ, อกออกเหมือนบุคคลถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะมุ่งดับไฟฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติเพื่อละสักกยทิฏฐิ เหมือนบุคคลถูกแทงด้วยห อ, อกมุ่งถอนห อ, อกออกเหมือนบุคคลถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะมุ่งดับไฟฉะนั้นสุพรหมมาสูตรว่าด้วยสุพรหมมเทพบระบุสุพรหมมเทพบระบุได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถานี่ว่าจิตนี้สะดุ้งอยู่เป็นนิส ใจนี้ว่าเสียวอยู่เป็นนิดเมื่อกิจทั้งหลายยังไม่เกิดขึ้นก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็ดีถึงความไม่สะดุ้งกลัวมีอยู่พระองค์ผู้ที่ข่าพระองค์ทูลถามแล้วขอจงตรัสบอกข้อความนั้นแก่ข่าพระองค์พระผู้มีพระภาตรัสว่านอกจากปัญญาเครื่องตรัสรู้ความเพียรเครื่องเผากิเลสความสำรวมอินทรีย์ และการสละทุกสิ่งทุกอย่างเรายังไม่เห็นความสวัสดีแห่งสัตว์ทั้งหลายเลยกากุตทสูรว่าด้วยกากุทาเทพบุตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระอัญชนาวันเขตเมืองสาเกตครั้นเมื่อราตรีผ่านไปกุุทาเทพบุตรมีวันนั ง, งดงามยิ่งนัก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 ค่าแต่พระสมณะถ้าอย่างนั้นพระองค์ไม่ทรงยินดีเลยไม่ทรงเศร้าโศกเลยหรือเป็นเช่นนั้นอาวุโสกกคุทัตเทพบุตรกราทุลว่าค่าแต่พระองค์ผู้เป็นภิกษุพระองค์ไม่ทรงมีความทุกข์บ้างหรือไม่ทรงมีความเพลดิดเพลินบ้างหรือความไม่ยินดีไม่กรอบงามพระองค์ผู้อยู่ผู้เดียวหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่า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 ผูข้ามพ้นเครื่องข้องในโลกได้แล้วอุตรสูตรว่าด้วยอุตรเท พ, พบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงราชคลึกอุตรเทพบุตรยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าชีวิตถูกชรานำเข้าไปอายุจึงสั้น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 ควรละโลกามิตรมุ่งสู่สันติเถิดเทวปุตตสังยุตวัคที่สามนานาติตติยาวัคหมวดว่าด้วยเทพบุตรผู้เป็นสาวกของเดรธีต่างๆสีวะสูตรว่าด้วยสีวะเทพบุตร สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินเท迦เศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปสิวะเทพบุตรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาและกล่าวคาถานี้ว่าบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตว์บุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตบุรุษแล้ว ย่อมเป็นผู้ประเสริฐไม่เป็นผู้ตกตำ่ำย่อมได้ปัญญาหาได้ปัญญาจากคนอันตพานอื่นไม่บุคคลรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมไม่เศร้าโศกใน่้ำกลางคนผู้เศร้าโศกย่อมรุ่งเรืองในถ้ำกลางแห่งญาติบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้น ควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตว์บุรุษสัตว์ทั้งหลายรู้แจ้งสัตว์ธรรมของพวกสัตว์บุรุษแล้วย่อมรุ่งเรืองในท้ำกลางแห่งญาติย่อมไปสู่สุขติย่อมดำรงอยู่ได้ตลอดไปย่อมหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงเขมาสูตรว่าด้วยเขมาเทพบรตรเขมาเทพบรตร ได้กล่าวคถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าคนพาลผู้มีปัญญาสามประพฤตตนเป็นเหมือนศัตรูย่อมทำกรรมอัลลามกซึ่งให้ผลเผ็ดร้อนบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังและมีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่ได้รับผลกรรมใดกรรมที่ทำแล้วนั้นเป็นกรรมไม่ดี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 พ่อ้าเกวียนเลี่ยงหนทางสายใหญ่ที่ไม่กรุกรัใช้หนทางที่กรุกรัจนเพล่าหักซบเซาอยู่ฉันใดบุคคลหลีกจากธรรมะประพฤติตามอธรรมก็ฉันนั้นเป็นคนเขวาดำเนินไปสู่ทางแห่งความตายซบเซาอยู่เหมือนพ่อ้าที่มีเปล่าเกวียนหักแล้วฉะ น, นั้น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 ข้าวนั้นเองยอมค้ำชูชนเหล่านั้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นบุคคลพึงกำจัดความตรณีครอบงามวนทินแล้วให้ทานเถิดประบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าเซีเทิพบุตรกราบทูลสรรเสริญพระพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญเรื่องเคยมีมาแล้ว ข้าพระองค์ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินมีนามว่าเสรีเป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้กล่าวชมคุณแห่งทานคือการให้ข้าพระองค์ได้ให้ทานแก่สมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางไกลว่านิพกและยาจกทั้งหลายที่ประตูทั้งสี่ทิศครั้นต่อมาพวกฝ่ายในพากันเข้าไปหาข้าพระองค์แล้วได้กล่าวดังนี้ว่า พระองค์ทรงให้ทานแต่พวกหม่อมชั้นไม่ได้ให้ทานเลยเป็นการชอบที่พวกหม่อมชั้นจะได้อาศัยใต้ป่าละอองทุลีพระบาทให้ทานและทำบุญบ้างถ้าพระองค์ได้มีความคิดดังนี้ว่าเราเองเป็นทายกคือผู้ให้เป็นทานา บ, บดีเป็นผู้กล่าวชมคุณแห่งทานเมื่อมีพูดว่าพวกหม่อมชั้นจะให้ทานเราจะว่าอะไรได้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 จะได้อาศัยใต้ป่าละอองธุลีพระบาทให้ทานและทำบุญบ้างข้าพระองค์จึงมอบประตูด้านที่สองให้แ ก, พ ก, ก่พวกกษัตริย์ไปพวกกษัตริย์ก็พากันให้ทานที่ประตูนั้นทานของข้าพระองค์จึงลดไปครั้นต่อมาพวกคลลักกายคือข้าราชการฝ่ายทหารเข้าไปหาข้าพระองค์แล้วกล่าวว่าพระองค์ก็ทรงให้ทานพวกฝ่ายในก็ให้ทาน พวกกษัตริย์ก็ทรงให้ทานพวกหม่อมชั้นไม่ได้ให้ทานขอเป็นผู้ให้และทำบุญบ้างข้าพระองค์จึงมอบประตูที่สามให้พวกคนละกายไปและพวกนั้นก็พากันให้ทานที่ประตูนั้นถานของข้าพระองค์จึงลดไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้นต่อมามีพวกพราหมข้ า, าบดีเข้าไปหาข้าพระองค์แล้วกล่าวว่าพระองค์ก็ทรงให้ทาน พวกฝ่ายในพวกกษัตริย์พวกพลหลักายก็ให้ทานแล้วขอให้ทานและทำบุญบ้างข้าพระองค์จึงมอบประตูด้านที่สี่ให้พวกพรามกระหับบดีไปพวกพรามกระหับบดีก็พากันให้ทานที่ประตูนั้นทานของข้าพระองค์จึงลดไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกบุรุษทั้งหลายต่างพากันเข้าไปหาข้าพระองค์ได้กล่าวดังนี้ว่า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 ว่านิพกและยาจกทั้งหลายในชนบทนั้นเถิดข้าพระองค์จึงยังไม่ถึงที่สุดแห่งบุญที่ได้ทําไว้ตลอดกาลนานอย่างนี้ที่สุดแห่งกุศลละธรรมที่ได้ทําไว้ตลอดกาลนานอย่างนี้ว่าบุญเท่านี้พอแล้วผลของบุญเท่านี้พอแล้วหรือบุญเท่านี้พอแล้วที่เราพึงดํารงอยู่ในสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริง พระผู้มีพระพาตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าชนเหล่าใดมีใจเลื่อมใสให้ข้าวนั้นด้วยศรัทธาข้าวนั้นเองย่อมคำจูชนเหล่านั้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นบุคคลพึงกำจัดความตรนีครอบงามวนถินแล้วให้ทานเถิดเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า คติการะสูตรว่าด้วยคติการะเท พ, พบุตรพระสูตรต่อไปคือคติการะสูตรเหมือนกันทั้งชื่อพระสูตรและเนื้อหากับในวักแรกๆที่อัดไว้แล้วนะครับจึงขอข้ามไปชันตุสูตรว่าด้วยชันตุเท พ, พบุตรสมัยหนึ่งภิกษุจํานวนมากอยู่ในกุฎีปา่า ข้างภูเขาอิมพานแควนโกศลเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพรำเพรื่อหลงลืมสติไม่มีสัมปัจชัญญะมีจิตกวัดแกงไม่สำรวมอินทรีครั้นในวันอุโบโสถสิบห้าค่ำชันตุเทพบุตรเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นด้วยคาถาทั้งหลายว่า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 ข้าพเจ้าทำอัญชลีต่อสงแล้วขอพูดกับท่านบางพวกในที่นี้ว่าพวกท่านถูกเขาทอดทิ้งแล้วเป็นคนอนาถาเหมือนเปรตข้าพเจ้ากล่าวหมายเอาบุคคลพวกที่ประมาทอยู่ส่วนท่านเหล่าใดไม่ประมาทข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านเหล่านั้นโรหิตรศสูตร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 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเทพบุตรเราไม่กล่าวที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติว่าพึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปโรหิตตัสสะเทพบุตรกราบทูลสรรเสริญพระภาสิทธิแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเคยมีมาแล้วข้าพระองค์เป็นรุสตชื่อโรหิตตัสสะ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 และการบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยมีอายุหนึ่งร้อยปีดำรงชีพยอยู่ได้ตั้งหนึ่งร้อยปีดำเนินไปได้ตั้งหนึ่งร้อยปียังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกก็ตายเสียก่อนในระหว่างทางที่สุดแห่งโลกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงโลกมนุษย์ที่เราอาศัยอยู่กันนี้นะครับข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏ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 ว่าพึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปเราไม่กล่าวว่าการที่บุคคลยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อนหนึ่งเราบัญญัติโลกคือทุกขสัตต์ความเกิดแห่งโลกคือสมุทยัยยัสต์ความดับแห่งโลกคือนิโรธัสต์และข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับแห่งโลก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 ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าแต่พระมหาวิระเจ้าสรีระยนสี่ล้อมีประตู9ก้าประตูเต็มไปด้วยของไม่สะอาดถูกโลภะประกอบไว้เป็นเหมือนเปลือกตมสรีระยนต์นั้นจักแล่นไปได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะตัดชนกเชือกหนังตัดความปรารถนาและความโลภอันเลวซาม แลพราอถอนตัณหาพร้อมทั้งรากได้สรีระยนนั้นจกเล่นไปได้อย่างนี้สุสิมะสูตรว่าด้วยสุสิมะเท พ, พบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอานน์เข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาแล้วนั่งหน้าที่สมควร พระผู้มีพระภาคได้ตรัส ก, กับท่านพระอานน์ดังนี้ว่าอานนนเธอชอบสาวรีบุตรหรือไม่ท่านพระอานนนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิตประลาดจะไม่ชอบท่านพระสาวรีบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรเป็นบัณฑิต มีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาเล่นไปมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาชำราคกิเลสมักน้อยสันโดษเป็นผู้สงัดไม่คลุกคลีปรารกความเพียรเข้าใจพูดอดทนต่อท้อยคําเป็นผู้ทักทวงตำหนิคนทำชั่วใครเล่าที่ไม่ใช่คนผ่านไม่ใช่คนมุทลุ ไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นตรัสยืนยันว่าที่ท่านพระอานนท์พูดทั้งหมดนั้นถูกต้องทั้งหมดครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคและท่านพระอานนท์กําลังกล่าวสรรเสริญคุณของท่านพระสารีบุตรอยู่สุสีมาเทพบุตร ผู้มีเทพปบุตรบริษัทจำนวนมากแวดล้อมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสและกราบทูนว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุโคตเจ้าข้อนี้เป็นอย่างนั้นใครเล่าที่ไม่ใช่คนผ่านไม่ใช่คนมุทลุจะไม่ชอบท่านภะสารีบุตรสุสิมะเทพระบุตร กล่าวข้อความเหมือนท่านพระอานนท์ทุกอย่างและกล่าวว่าเพราะว่าข้าพระองค์เข้าไปหาเทพบุตรบริษัทใดก็ได้ยินเสียงพูดอย่างหนาหูว่าท่านพระสารีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นเป็นต้นนั้นใครเล่าที่ไม่ใช่คนผ่านไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรครั้งนั้นเทพบุตรบริษัทของสุสิมเทพบุตร เมื่อสุสีมาเทพบุตรกําลังกล่าวสรรเสริญคุณของท่านพระสารีบุตรอยู่ต่างเปลื่มปิติเบิกบานใจเกิดปิติโสมนัสมีรัสมีวันนาเปล่งปลั่งปรากฏอยู่ดุดแก้วมณีและแก้วไพรทูลอันงดงามตามธรรมชาติถูกนายช่างเจียระไนดีแล้ววางไว้บนผ้ากำพลสีเหลืองส่องแสงปล่าพร่ า, ราสุขสกาวอยู่ฉะนั้นเหล่าบริวารของสุสีมาเทพบุตร เมื่อได้ฟังคำกล่าวสรรเสริญคุณของท่านพระสารีบุตรต่างก็ปลื้มปิติเบิกบานใจเกิดพิติโสมนัสมีรัสมีวันน่าเปลงปลังปรากฏอยู่ดุจทองแห่งชมพูนุชดุจ ด, ด, ดาวสุขดุจ ด, ดวงอาทิตย์เมื่ออากาศปลอดโร่งปราศจากหมู่เมฆในฤดูศาสการ่วยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าขจัดความมืดที่มีอยู่ในอากาศทั้งปวงส่องแสงแพรวสุกสกาวอยู่เชนั้น ครั้งนั้นสุสีมาเทพบุตรได้กล่าวคถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารบท่านพระสารีบุตรว่าท่านพระสารีบุตรใครๆก็รู้จักว่าเป็นบัณฑิตไม่ใช่คนมักโกรธมีความมักน้อยสงบส ง, งียมฝึกแล้วมีคุณงามความดีอันพระศาสดาทรงสรรเสริญเป็นผู้สแสวงหาคุณอันยิ่ง พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถาตอบสุสินมาเทพบุตรปรารบท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรใครๆก็รู้จักดีว่าเป็นบัณฑิตไม่ใช่กลนมักโกรธมีความมักน้อยสงบเสงี่ยมฝึกฝนอบรมดีแล้วรอเวลาอยู่รอเวลาอยู่ในที่นี้หมายถึงท่านบรรลุอรหัตตผลเป็นพระอรหันต์แล้วรอแค่เวลาที่จะปรินิพานเท่านั้น นานาติตตาธิยาสาวกสูตรว่าด้วยเทพบุตรผู้เป็นสาวกของเดรธีต่างๆสมัยหนึ่งราผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันเขตกรุงราชครึกครั้นเมื่อราตรีผ่านไปพวกเทพบุตรผู้เป็นสาวกของเดรธีต่างๆเป็นจำนวนมากคืออสมาเทพบุตรสหาีเทพบุตรนิกัตเทพบุตรอโกตกะเทพบุตร เวทธรรมภรีเทพบุตรมาณวคามียเทพบุตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรอสมาเทพบุตรยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารภเจ้าลทัทธิชื่อปุรณกัสปะว่าท่านปุรณกัสปะมองไม่เห็นบาปหรือบุญของตนในเพราะการตัด การฆ่าการโวยการเสื่อมทรัพย์ท่านจึงบอกให้เบาใจเสียสมควรที่จะยกย่องท่านว่าเป็นศาสดาในโลกนี้ลำดับนั้นสหาลีเทพบุตรได้กล่าวคทถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารภเจ้าลทัทธิมัคลิโคสารต่อไปว่าท่านมัคลิโคสารสำรวมตนดีแล้วด้วยการกีดกันบาปด้วยตบะ ลักวาจาที่ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันเป็นผู้สม่ำเสมองดเว้นจากสิ่งที่มีโทษพูดจริงเป็นผู้คงที่ไม่ทำบาปแน่นอนลำดับนั้นนิกาเทพะบุตรได้กล่าวคถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารพเจ้าลัทธิชื่อนิกรณทนาตะบุตรต่อไปว่าท่านนิกรณทนาตะบุตรเป็นผู้กีดกันบาป มีปัญญาเครื่องบริหารเห็นภัยในสังสารวัฏเป็นผู้ระมัดระวังทั้งสี่ยามคือข้อปฏิบัติของเหล่านิครเป็นผู้ระมัดระวังทั้งสี่ยามเปิดเผยสิ่งที่ตนเห็นแล้วและฟังแล้วเป็นผู้ไม่หยาบช้าแน่นอนลำดับนั้นอากูตกากเทพบุตรได้กล่าวคถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาค บาวรบพวกปิรธีต่างๆ ต, างต่อไปอีกว่าท่านปากุธากัจจายณนะท่านนิกรนทนาธบุตรท่านมคคลิโคสารและท่านปุรณกกัสปะเหล่านี้ล้วนแต่เป็นครูของหมูคนะ่คณะบรรลุความเป็นสมณนะข้อนี้หมายถึงบรรลุจุดหมายสูงสุดแห่งสมณธรรมตามลทัทธิของเขาท่านเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ไกลาจากสัตว์บุรุษแน่นอน ลำดับนั้นเวตาลพริเทพบุตรได้กล่าวตอบอากูตกาเทพบุะบุด้วยคถาว่าในการไหนสุนักจิงจอกสัตว์เล็กๆชั้นเลวจะแสดงจริญกิริยาให้เสมอราชสีไม่ได้เลยครูของหมู่คณะเป็นคนเปลื่ยมักพูดคำเท็จมีพฤติกรรมน่าระแวงสงสัยจะเทียบกับสัตว์บูรุษไม่ได้เลย ลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าสิงเวตาพริเทพบุตรแล้วได้กล่าวคถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าสัตว์เหล่าใดประกอบด้วยการกีดกันบาปด้วยตะบะรักษาความสงบสงัดติดอยู่ในรูปเพลืดอเพลินในเทวโลกสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าสังสอนโดยชอบเพื่อปอดโลกโดยแท้ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงได้ตรัสตอบมารผู้มีบาปด้วยคถาว่ารูปใดๆจะอยู่ในโลกนี้หรือโลกหน้าและแม้จะอยู่ในอากาศมีรัศมีรุ่งเรืองก็ตามทีนมูจิมารูปทั้งหมดนั้นท่านก็สันเสริญแล้ววางดักไว้ เหมือนบุคคลใช้เหยื่อล่อฆ่าปลาฉะนั้นลำดับนั้นมานาวคามิยะเทพบุตรได้กล่าวคถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปราบพระผู้มีพระภาคว่าคนพูดกันว่าบรรดาภูเขาในกรุงราชครื้นภูเขาวิปุระเยี่ยมที่สุดบรรดาภูเขาที่ตั้งอยู่ในป่าหิมพาน ภูเขาเสตะบรรพศเยี่ยมที่สุดบรรดาสิ่งที่ลอยอยู่ในอากาศดวงอาทิตย์เยี่ยมที่สุดบรรดาห้วงน้ำทั้งหลายสมุทรเยี่ยมที่สุดบรรดาดวงดาวทั้งหลายดวงจันทร์เยี่ยมที่สุดบัณดิตกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเลิศกว่ามนุษย์และเทวดาเทวปทธสังยุต จบริบุน